FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี Printing and Packaging อย่าง d e s ซ g n e r 2019สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตัลและบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี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 ตั้งแต่บัดนี้ถึง2กระกฎาคม2562สอบถามเพิ่มเติม02 549 4531และที่087 518 1624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 w w w f i s f r m u t t a c t h ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพื่อนเตือนภัยผู้ดำเนินรายการอาทิตยาปักรานังสร้างสารรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี สวัสดีค่ะคุณบังคาต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตืนภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะเราพบกันในช่วงเวลานี้ค่ะทุกๆเช้าของวันพระรหัสเสบดีทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบรุรีแล้วก็ที่ทางแันเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบรุรีเช่นเดียวกันค่ะต้อนรับกันในวันนี้นะคะดิฉันอาทิตยาปักกทานางังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการค่ะเรื่อง ของพื่นเตือนภัยในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายข่าวคราวเรื่องราวเลยนะคะโดยล่าสุดนี้ค่ะเป็นการเตือนภัยและเป็น สิ่งที่โซเชียลเองได้พูดถึงกันอย่างคับข้างนะคะกรณีที่หญิงสาวท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปประจานผู้โริษารชายคนหนึ่งค่ะหลังจากที่ผู้โริษารชายคนนี้ลวนลามเธอบนรถตู้ประจำทางสายรังสิตนครนายกนะคะสุดท้ายค่ะหญิงสาวท่านนี้ตัดสินใจตะโกนต่อว่าและไล่ชายคนดังกล่าวลงจากรถตู้ค่ะ ในคลิปนะคะเป็นผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่งร้องตะโกนเสียงดังเอะอะโวยวายบนรถตู้โดยสารนะคะต่อว่าชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่เบาะข้างเธอเรียมฝั่งประตูรถจากนั้นนะคะเธอใช้เท้าค่ะถีบไล่ชายคนดังกล่าวให้ลงจากรถตู้ไปเหตุการณ์นี้นะคะได้ถูกแชร์ผ่านแฟนเพจเฟ e บุ๊ก วรีพรทองประสาทค่ะซึ่งเธอนะคะคุณวรีพรทองประสาทหรือว่าคุณกรีนนะคะเป็นหญิงสาวที่ประสบเหตุการณ์ในรถตู้โดยสารดังคันดังกล่าวเธเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะผู้ฟังคะบอกว่าได้ขึ้นรถตู้โดยสารสาย ร, ร, รังสิตนครนายกจังหวะที่กําลังขึ้นรถตู้แล้วก็ได้ผ่านผู้ชายที่นั่งอยู่บริเวณเบาะแถวที่2ก็รู้สึกว่ามีอะไรมรโนตัวแต่ก็ไม่ได้เอกใจนะคะกระทั่งย้ายมานั่งที่เบาะแถวที่3ค่ะแล้วก็สังเกตว่าผู้หญิงอ่ามีหญิงสาวนะที่นั่งติด กับกระจกนั่งข้างกับชายที่ก่อเหตุพยายามเบี่ยงตัวออกนะคะตอนแรกคิดว่าหญิงสาวท่านนี้เนี่ยเป็นแฟนกันแต่หลังจากที่ชายผู้ก่อเหตุผู้จารวนลามผู้หญิงคนนี้ก็เลยรู้ว่าอ้าวไม่ใช่แฟนกันนี่นาะคุณกรีนเองนะคะก็เลยมีการเรียกให้หญิงสาวคนนี้เนี่ยลุกมานั่งกับคนอากับตัวเองที่บอก อีกเบาะหนึ่งนะคะระหว่างที่อยู่บนรถตู้โดยสารเนี่ยชายคนดังกล่าวค่ะพยายามจะลวนลามคุณกรีนโดยทำทีนะฮะเอามือมาด้านหลังแล้วก็มักจะมองมาตลอดเลยสุดท้ายทนไม่ไหวนะคะก็เลยลุกขึ้นโวยวายตามที่ปรากฏในคลิปนั่นเองค่ะ คุณกรีนบอกแบบนี้นะคะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยตนเป็นคนแต่งตัวที่มิชชิดมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับตัวเองนะคะซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยรู้สึกตกใจคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหรือแล้วก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ทํากับตนแบบนี้ต้องไม่ยอมแล้วก็ไม่กลัวนะคะก็ตัดสินใจต่อว่าเสียงดังเพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำกับผู้ห ญ, ญิงหลายคนในรถและไม่มีใครกล้าพูดนะคะกระทั่งตัวเองโดนกระทําเองนะคะก็อยากฝากถึงผู้ห ญ, ญิงหรือว่าใครที่อาจถุกทราำเช่นเดียวกับคุณกรีนนะคะ บอกว่าอย่าอ า, าที่ถูกกระทําแบบนี้นะคะถ้าอยู่ในบริเวณเกิดเหตุมีคนเยอะเสียงนังไว้ก่อนเลยค่ะให้รู้ว่ามีคนรับรู้ว่ามีคนประเภทนี้อยู่บนรถโดยสารด้วยนะคะถ้าหากสุดวิสัยไม่มีใครอยู่ก็ให้พยายามออกมาจากจุดตรงนั้นให้ได้ออกมาให้ไกลที่สุดค่ะ ในคลิปที่ปรากฏเนี่ยนะคะก็มีหลายๆท่านที่เข้าไปให้กําลังใจคุณกรีนเองนะคะว่านี่เป็นเรื่องของการกระทําที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียกร้องนะคะในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆแล้วก็เราจะไม่ยอมนะในการที่จะให้ใครมาลวนลามเราแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของเราเองนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะสําหรับใครที่อาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ในที่สาธารณะนะคะให้แจ้งรอบข้างโดยด่วนน ะ, ะแล้วก็ อาจจะทำเสียงดังหรือว่าจะพูดคุยเสียงดังนะคะเพื่อให้ผู้ร้ายเนี่ย น, นะคะหลีกหนีไปนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นการ จองที่พักนะคะในประเทศเกาหลีนะคะซึ่งมีหญิงสาวท่านหนึ่งค่ะไปจองห้องพักที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะแต่กลับถูกยกเลิกห้องพักเพราะคิดว่าเป็นผีน้อยนะคะแล้วก็เขาก็ตีตราไปเลยว่าคนไทยเป็นผีน้อยเนี่ยชอบเบี้ยวแน่นอนนะแถมโรงแรมเนี่ยยังมีการว่าคนไทยอีกว่าเป็นพวกคนจนชีวิตต่าตมค่ะ เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะะผู้ใช้ทวิตเตอร์อันโนค่ะได้โพสต์เล่าเรื่องราวอุทาหรณ์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งกําลังจะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้นะคะเมื่อเธอนั้นโดนเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ยกเลิกห้องพักโดยอ้างว่าผู้โพสต์นี้นะคะอาจจะเป็นผีน้อยนอกจากนี้นะคะเจ้าของโรงแรมยังต่อว่าคนไทยอีกว่าเป็นพวกคนจนชีวิตต่ําตมค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเกิดจากการพูดคุยกัน ร, ระหว่างตัวผู้โพสต์กับทางโรงแรมซึ่งมีปัญหาเกี่ กับบัตรในการจองห้องพักนะคะซึ่งทางโรงแรมต้องการให้อัปเดตข้อมูลบัตรในเวลา1ชั่วโมงครึ่งแต่ตัวผู้โพสต์เองได้รับแจ้งจากเว็บไซต์ booking.com ว่าสามารถแจ้งได้ภายใน24ชั่วโมงจึงถามกลับไปทางโรงแรมว่าเหตุใดนะคะให้เวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าเพราะ เขาถือว่าคนไทยชอบเบี้ยวนอกจากนี้นะคะยังมีการระบุข้อความต่อว่าคนไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า Poor people Poor life แล้วก็มีการยกเลิกการจองห้องพักของผู้โพส์ทันทีเลยค่ะทันทีที่ถูกแชร์เรื่องราวนี้ออกไปนะคะก็มีคนมาให้ความสนใจจํานวนมากเลยนะคะทำให้โพสดังกล่าวนี้ได้รับการทีอรีทวิตไปแล้วนะคะน่าจะมากกว่า5 0,000 ครั้งแล้วค่ะและทางผู้โพส์เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาที่ไทยก็จะมีการติดต่อกับสถานเอก ภูตนะคะเกาหลีใต้นะะประจำประเทศไทยด้วยว่ามีการจะมีการดำเนินการในเรื่องราวนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเธอมีการถูกลงแบ็ k ลิสต์ของทางโรงแรมแล้วด้วยนะคะทั้งทั้งที่ยังไม่ได้พูดคุยกันไปถึงขั้นไหนเลยนะคะก็มีการเหมารวมนะแล้วก็ถูกแบ็ k ลิสต์แบบงงๆนะคะ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะข่าวฟังค้าช่วงหน้านะคะจะมาติดตามการวันนี้มีเรื่องราวนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะมีอาจารย์มาหาวิทยาลัยท่านหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่าไปซื้อลอตเตอรี่ทีนี้เนี่ยพอมาตรวจนะคะเงินรางวัล น, นะคะก็คิดว่าถูกรางวัลแน่ละ แต่อ้าวปรากฏนะฮะไปดูวันที่เป็นลอตเตอรี่หมดอายุนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันรวไปถึงเรื่องราวนะคะของการเตือนนะจากทางไพรส์นีไทยด้วยนะคะตอนนี้มีเหมือนกับว่าเป็น ป, ป๊อปอัพหน้านะคะในเรื่องของการชิงรางวัลเนี่ยขึ้นมาว่าไปรส์นีไทยมีการแจกรางวัล น, นะทางที่จริงนะคะทางไพรส์นีไทยเนี่ยไม่ได้แจกอะไรแต่อย่างใดเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะกับเพื่อนเตือนภัยค่ะมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คําปรึกษาด้านสมุนไพร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 ช่วงที่2ในรายการกันนะคะกับเพื่อนเตือนภัยค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางนะคะเตือนข้อหวยค่ะระมัดระวังหลังเสียรู้นะคะพ่อคาเร่เอาลอตเตอรี่เก่ามาขายค่ะ อาจารย์ทองล้วนมาชานะคะอายุ63ปีค่ะเป็นอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในงวดประจําวันที่16บิกุนษภาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้ น, นประมาณ2องถวันเนี่ยก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเนี่ยนะคะอ า, อาจารย์เองเนี่ยก็ได้ไปซื้อของที่ตลาดสดอมสินในเขตเทศบาลนาคร ล, ลําปางแล้วก็เจอพ่อคาเรีนะคะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนั้นก็ตัดสินใจค่ะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น หวยชุด10บใบราคาใบละ130บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด 1,300 บาทปรากฏว่าหลังจากซื้อมาเนี่ยนะคะพอตรวจรางวัลแล้วถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง29เนี่ยก็ดีใจมากเลยก็ตั้งใจไว้ว่าอีกสัก2อถึงสวันนะจะเอาสลากไปขึ้นรางวัล น, น่าจะได้เงินประมาณ 20,000 บาทนะคะก็เก็บสลากเอาไว้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเกิดเอกใจนะคะก็นําสลากขึ้นมาดูอย่างละเอียดอีกครั้งปรากฏว่าเป็นหวยเก่าในปีที่ผ่านมาค่ะและหากจะนําไปขึ้นเงินรางวัลก็ คงไม่ได้แล้วเพอะตอนเองไปซื้อหวยเก่าหวยเก่ามานะคะก็เสียเงินไปด้วยอีก 1,300 บาทนะคะก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกมากๆเลยนะคะหลังมาตรวจแล้วพบว่าพ่อค้าเน้นําสลา ก, กินแบ่งที่เดินแรกขายเนี่ยนะคะเอาของเก่าปีที่แล้วมาขายอีกซึ่งถ้าหากดูดีๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นสลา ก, กินแบ่งของงวดวันที่1กันยายนสองพร้อยหกซึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองซื้อมาโดยที่ไม่ได้ดูอย่างละเอียดนะคะใครหยิบอะไรมาก็ เอามาแบบนั้นเลยค่ะทางนี้นะคะก็ขอฝากเตือนภัยด้วยนะคะผ่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะมีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล น, นะคะอย่ารีบซื้อให้มองดูวันปีแล้วก็พอศอของสลากกินแบ่งอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสียรู้แบบตัวเองก็ได้ค่ะ ก็ฝากกเอาไว้นะคะปกติแล้วก็ดูเลขกันอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ค่อยได้ดูงวดกันเท่าไหร่นะคะอย่าลืมด้วยนะคะดูงวดด้วยแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเป็นงวดเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยสับสนนะบางทีอาจจะเป็นงวดเก่าของงวดต้นเดือนนะฮะแต่ปรากฏว่า สิ่งที่เรากําลังจะเล่นเนี่ยอาจจะเป็นงวดในช่วงของสิ้นเดือนนะคะก็ตรวจสอบกันตรงนี้ด้วยค่ะมากันที่บริษัทไปรษณีย์ไทยกันบ้างนะคะไปรษณีย์ไทยจํากัดค่ะเตือนผู้ใช้บริการนะคะระวังกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างชื่อให้ตอบแบบสอบถามลุ้นรางวันนะคะเพื่อหลอกสอบถามข้อมูลส่วนตัวย้านะคะว่าไปรษณีย์ไทยไม่มีนโยบายในการสํารวจแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ เพศบริษัทปริศนีไทยจำกัดนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนภัยลันพบกลุ่มมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างผู้ผู้ใช้บริการนะคะให้ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต์แห่งหนึ่งระบุนะคะว่านี่เป็นแบบสอบถามจากปริศนีไทยเพื่อลุ้นบัตรรางวัลมูลค่า 25,000 บาทนะคะทางนี้ค่ะบริษัทปริศนีไทยเองก็ได้ออกประกาศนะคะระบุข้อความดังนี้ค่ะบริษัทปริศนีไทยจำกัดหรือปอนทแจ้งเตือนผู้ใช้บริการระวังมิจฉาชีพแอบอ้างให้ตอบแบบสอบถามทางเว็บไซต์ โดยระบุว่าเป็นแบบสอบถามจากไปรษณีย์ไทยผลุนบัตรรางวัมลมูลค่า 25,000 บาทซึ่งไปรษณีย์ไทยไม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวตามที่มีการแอบอ้างแต่อย่างใดและทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้ใช้บริการจํานวนมากไปรษณีย์ไทยจึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการตรวจยาลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเป็นตัวแทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดโดยให้ตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์เพื่อหลอกถามข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามแล้วนะคะผู้ใช้บริการนั้นสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้นะคะก็คือที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Twitter Thailand แลนด์อันเดอร์สแล้วก็ที่ทางเว็บไซต์นะคะ www.thailandpost.co.th ค่ะและหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สายด่วนนะคะ thpcontactcenter1545 ค่ะ พูดถึงเรื่องราวของการคลิกอะไรต่างๆเพื่อตอบคำถามตอบแบบรางวัลแล้วเนี่นะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังทางแคสเปอร์กี้เองนะคะก็มีการออกมาเตือนมันแวร์จากวิดีโอเกมปลอมค่ะ ทีมวิจัยของแคสเปอร์กี้บริษัทด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต ร, ระดับโลกนะคะก็มีการเปิดเผยว่าอาชญากรไซเบอร์เองได้ใช้ประโยชน์จากความนิยมในการเล่นวิดีโอเกมโดยการกระจายมัลแวร์ผ่านทางวิดีโอเกมของปลอมซึ่งกําลังได้รับความนิยมนะคะมีผู้ใช้งานโดนโจมตีไปแล้วกว่า 9,03,000 0รายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะนับจากเดือนพฤษภายนปี2561ถึงเดือนพฤุนายน2562นะคะซึ่งมากกว่า1ใน3ของการโจมตีใช้ในการโจมตี เพียงแค่3าเกมเท่านั้นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะนักวิจัยของแคสเปอร์กี้เองก็มีการตรวจสอบนะคะไฟล์เกมที่ตรวจพบในช่วงปี 2,561 และต้นปี 2,562 อย่างละเอียดค่ะพบว่าเกมที่ชื่อว่า m i n e c r a f นะคะมีการกระจายมันแวร์อันดับหนึ่งซึ่งมีมันแวร์ที่แนบมากับวิดีโอเกมปลอมประมาณ 30% และมีผู้ใช้งานที่ถูกโจมตีถึง 310,000 คนอันดับ2องค่ะคือ GTA 5นะคะมีผู้ใช้ถูกโจมตีถึง 112,000 คนรองลงมาอันับ อนะคะเป็นซิมซค่ะซึ่งเป็นเกมอันดับ4ก็มีผู้ที่ถูกโจมตีนะคะอยู่ถึง 1,5,000 คนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะอาชญากรไซเบอร์ยังโจมตีในรูปแบบที่ให้ดาวน์โหลดไฟล์ปลอมแล้วก็อ้างว่านี่นะเป็นเกมใหม่ไม่เปิดตัวด้วยนะคะโดยพบว่ามีเกม10เกมนะที่ปลอมว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวล่วงหน้าเนี่ยเห็นก่อนใครได้ที่นี่ซึ่ง 80% นี้นะคะตรวจพบว่าเป็นเกมฟี فا ยีนะคะบอเดอร์แลนด์ 3. แล้วก็ Elder Scroll S ร์สโคลส์6นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของวิดีโอเกมปลอมที่เป็นอันตรายแบบนี้แ a s p ปรกี้ก็แนะนํานะให้ใช้บริการที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องแน่ใจก่อนว่าเว็บที่คุณไปโหลดเกมนั้นเป็นเว็บของจริงถึงจะดาวน์โหลดวิดีโอเกมจากเว็บไซต์แล้วก็อย่าคลิกลิงก์ที่มีความน่าสงสัยนะคะแล้วก็ใช้โซลูชันรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันในภัยคุกคามที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแน่นอนหาะการใช้ของจริงนะคะก็มีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ป้องกันในเรื่องของ malware ต่างๆได้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมใส่เรื่องของโซลูชันที่จะช่วยในการคุ้มนะคะกุ้มครองหรือว่าดูแลนะครอบคลุมในเรื่องของการป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์ ก, การเข้าเเน็ตต่างๆของคุณนะคะให้เรียบร้อยด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถูกเจาะ ข้อมูลต่างๆนะบางทีเป็นข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลในเรื่องของอการเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็ทำให้มันไม่มีความปลอดภัยนะบางทีก็ถูกนำข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะไป ปลอมแปลงบ้างล่ะหรือว่าอาจจะนําไปในเรื่องของอการสมัครบริการหรืออะไรต่างๆบ้างล่ะนะคะก็จะทําให้เดือดร้อนในภายหลังค่ะภากันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเพื่อฟังคาช่วงหน้าจะมาติดตามรับฟังกันนะคะจากทางด้านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองมีการออกมาแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้วสําหรับแมงกระพุนมีพิษนะคะตอนนี้กําลังเริ่มกลับมาระบาดแล้วเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีการเข้าฟังกันมาเยอะนะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าค่ะเพื่อนเตืนภัยค่ะ ไม่เคยทำถ้าหากไม่เคยผ่านหากวันนั้นไม่เคยเสียใจมาก่อนก็คงต้องฟุ้่ายก็คงต้องอ้อนวอนจะเป็นจะตายวันนี้แค่ไหนเมื่อเธอทิ้งไป ถ้าหากไม่เคยเธอถ้าหากไม่เคยเธอกับบทเรียนที่ํำฝังใจมา่อก็คงต้องเศร้าเกินก็คงไม่ยอมนอนและคงเอาตาร้องไห้เจียนตายไม่แข็งแรงมากพอเหมือนในวันนี้ เป็นอะไรกวันนี้ก็เพราะเคยเจ อ, อยิ่งนี้ถึงได้รู้ต้องขอบใจคนที่เคยทิ้งกันคนก่อน่อนนั้นขอบใจคนที่ไม่รักกันที่ได้ทำให้เข้าใจว่าการถูกทิ้งเป็นเช่นไรแค่เสียใจได้ ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของแมงกระพุนกันนะคะมาฟังเรื่องนี้กันก่อ น, นะคะ่ะเป็นเว็บไซต์นะคะแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะคะ Infectious นะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะโพสภาพและข้อความระบุเตือนภัยหน้าฝนระวังงูกัดนะคะกรณีเด็กผู้หญิงอายุ13ปีนะคะงูเห่ากัดก็ อาจจะมีพิตตรระบบประสาทนะคะมีการมาโรงพยาบาลแล้วก็ญาติๆเด็กเองเนี่ยหอบงูเหามาเลยค่ะมาแค่ครึ่งตัวนะะยังถือว่าโชคดีเพราะว่าตายไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณหมอก็ยังจะแนะนำวิธีการในการประมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับใครที่อาจจะมีะเรื่องของการแบบพบเหตุการณ์น ะ, ะการถูกงู ก, กัดขึ้นได้นะคะ โดยแฟนเพจนะคะเล่าว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ13นะคะเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากการถูกงูกัดน ะ, นะคะซึ่งญาติเองเนี่ยเอางูมาให้หมอดูค่ะฟันขาดครึ่งท่อนแล้วนะคะเอามาด้วยดีมากนะคะเพราะว่าหมอจะได้ทราบว่าเป็นงูพิษนะคะซึ่งเป็นพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบเลือดแต่ถ่ายรูปหรือคลิปมา ก, ก็ได้นะคะคุณหมอก็แซวนิดนึงว่าไม่ต้องหอบตัวมากก็ได้น ะ, ะเพราะว่าโอ้โหเห็นแล้วก็สยองเหมือนกันนะคะ อย่างที่2ก็คือน้องหมอนักเรียนแพทย์นะคะก็มีการอุตสาห์จับงูนะถ่ายรูปให้อาจารย์ดูเรียนหมอต้องใจแข็งนะคะเป็นน้องผู้หญิงซะด้วยค่ะอย่างก็ตามนะคะก็มีการเตือนว่าฝนตกระวังงูกัดกันสําหรับการดูแลผู้ป่วยเมื่อถูกงูกัดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าถูกงูพิษกัดประชาชนเองต้องทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์นะคะโดยบีบเลือดที่บ ร, ริเวณบาดแผลออกเท่าที่ทําได้เพื่อขจัดพิษงูออกจากร่างกายล้างแผลด้วยน้ําสะอาดฟอกสบู่หรือว่าน้ํำด่าง ทับทิมนะคะจากนั้นค่ะให้นำผ้าสะอาดซับให้แห้งเช็ดแผลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพยายามอย่าให้อวัยวะที่ถูกกัดนั้นเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวให้นอนที่สุดนะคะอาจดามที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจเพื่อชะลอการซึมของพิษงูซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะให้นำซากงูพิษที่กัดเนี่ย ไปให้แพทย์ตรวจด้วยแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะคะในการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ถูกงูพิษกัดอย่างแรกเลยค่ะห้ามใช้สุรายาซีฟันหรือสิ่งอื่นๆทาแผลพอกแผลนะคะเนื่องจากอาจทําทให้แผลติดเชื้อได้ไม่ควรกรีดแผลค่ะเนื่องจากทําให้พิษงูกระจายเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นไม่ควรใช้ปากดูดเลือดจากแผลงูกัดเพราะอาจเกิดอันตรายร้ายแ ร, แรงกับผู้ที่ดูดได้ห้ามให้ผู้ถูกงูกัดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนและห้ามขันฉนะนะคะเพราะอาจทําให้ เนื้อบริเวณนั้นตายได้ค่ะจึงท้ายการนานะที่เรื่องราวของการเตือนภัยแมงกระพุลมีพิษกันบ้างนะคะทางด้านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทอชอค่ะแนะนําข้อมูลแมงกระพุลมีพิษนะคะให้ประชาชนได้ทําความรู้จักและศึกษาว่าเป็นข้อมูลนะคะเพื่อจะจําแนกประเภทของแมงกระพุลได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะเกิดอันตรายค่ะ คุณผังคะแมงกระพุนนะคะหรือว่าเจลลี่ฟิตนะคะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะทั่วไปก็จะมีรูปร่างคล้ายร่มหรือว่ากระดิ่งคว่ำตัวแมงกระพุนประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีระบบประสาทแต่ว่าไม่มีสมองส่วนใหญ่นะคะอาศัยอยู่ในทะเลแต่มีบางชนิดนะคะอยู่ในน้ําจืดมักพบในทะเลเขตร้อนหรือว่าอบอุ่นสามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณผิวน้ําจนถึงทะเลลึกพิษของแมงกระพุนนี้นะคะจะกระจายอยู่ทั่วไปในทุกส่วนของแมงกระพุนแต่จะมีมากที่สุดนะคะที่บริเวณส่วนหนวดแมงกระพุนที่มีพิษ เป็นที่รู้จักทั่วไปก็คือแมงกระพุนกล่องนะคะหรือว่าบ็อกเจลิฟิตและแมงกระพุนไฟนะคะสําหรับแมงกระพุนกล่องนะคะลักษณะทั่วไปเลยก็จะมีลักษณะลําตัวใสค่ะรูปร่างก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะมีหนวดยื่นออกจากตะละมมุมของร่มหนวดอาจจะมีการแตกแขนงนะคะเมื่อสัมผัสถูกพิษแล้วเนี่ยพิษจะเข้าสู่ผิวหนังทันทีเลยค่ะซึ่งความรุนแรงของพิษที่ได้รับจากแมงกระพุนกล่องนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกระพุนกล่องด้วยแล้วก็ปริมาณพิษที่ได้รับด้วยนะคะ เมื่อได้รับพิษเข้าไปในร่างกายนะคะจะมีรอยแผลเป็นเส้นๆควยกันไปมาเป็นรอยไหม้ซึ่งอาจมีรอยนูนขีดขวางด้วยทําให้ปวดมากบริเวณที่สัมผัสค่ะอาจหมดสติตัวเขียวและหัวใจหยุดเต้นได้หรือมีรอยแผลเป็นเส้นนูนแดงนะคะหรือหากมีอาการปวดบริเวณแผ ล, เ, แผลเจ็บหน้าอกปวดเมืยกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนแน่นหน้าอกเหงื่อแตกภายใน 5-40 นาทีแสดงว่าถูกพิษแบ่งกระพุนเข้แล้วค่ะ วิธีการในการปฐมพยาบาล น, นะคะผู้ช่วยเหลือต้องแน่ใจก่อนว่าตัวเองปลอดภัยจากแมงกระพุนแล้วนะคะจากนั้นรีบนำผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำหรือไปอยังบริเวณที่ปลอดภัยทันทีค่ะให้ผู้บาดเจ็บนั้นนอนนิ่งๆเพื่อกันไม่ให้พิษแมงกระพุนกระจายเข้าสู่ร่างกายห้ามนะคะ ย้ำว่าห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกพิษแมกกาพุนเด็ดขาดให้รีบนำน้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะมาราดนะคะบริเวณที่ถูกพิษให้ทั่วถึงอย่างต่อเนื่องนานอย่างน้อย30วินาทีห้ามราดด้วยน้ำจืดนะคะให้ราดด้วยน้ำส้มสายชูเท่านั้นตะโกนให้คนช่วยหรือว่าเรียกรถพยาบาลและควรอยู่กับผู้บาดเจ็บตลอดเวลาค่ะเพราะว่าผู้บาดเจ็บนั้นอาจจะหมดสติได้ภายในไม่กี่นาทีนะคะถ้าหาผู้บาดเจ็บหมดสติไม่หายใจหรือไม่มีชีพจรต้อง รีบทำการปั๊มหัวใจโดยกดที่หน้าอกนะคะที่บริเวณเหนือลิ้นปีเล็กน้อยเปิดทางเดินหายใจโดยการเชยคางขึ้นจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงหรือถ้ามีอาการดีขึ้นแล้วนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ ส่วนแมงกระพุนไฟนะคะก็จะมีแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสนะคะหรือว่าแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือแมงกระพุนหัวขวดนะคะลักษณะทั่วไปค่ะที่ฟังค่ะจะมีรูปร่างสีฟ้าหรือว่าสีม่วงมีหนวดยาวนะคะส่วนบนที่อยู่เหนือน้ําจะโป่งพองคล้ายกับหมวกของทหารเรือชาวโปรตุเกสในยุคศตวรรษที่18หรือเรือรบของโปรตุเกสในยุคล่าอาณานิคมนะคะแมงกระพุนไฟนี้มีเข็มพิษทุกส่วนเลยค่ะนอกจากผิวร่มด้านบนเมื่อร่างกายไปสัมผัสถูกพิษแมงกระพุนไฟ พิษจะเข้าสู่ผิวหนังทันทีนะคะและจะมีอาการปวดบริเวณที่ผิวหนังสัมผัสหรืออาจพบว่ามีอาการปวดลามไปยังแขนขาหรือลําตัวที่โดนพิษการขยับแขนขาหรือว่าลําตัวที่โดนพิษนี้นะคะอาจจะเพิ่มความเจ็บปวดได้สําหรับในรายที่มีอาการรุนแรงนี้อาจจะพบว่ามีอาการปวดหัวกลืนไส้อาเจียนปวดท้องใจเต้นผิดปกติหรือหมดสตินะคะสําหรับในรายที่เสียชีวิตเนีนะคะพบว่าผู้ป่วยมีอาการหายใจลําบากแล้วก็หัวใจล้มเหลวค่ะนอกจากนี้นะคะ มีอาการอื่นๆด้วยนะคะก็คือผู้บาดเจ็บที่สัมผัสโดนแมกกาพูลไฟนะคะอาจจะพบรอยแผลเนี่ยเป็นลนักษณะนูนแดงแผลจะเรียงตัวเหมือนเมล็ดถั่วนะคะเป็นรอยนูนรูปไข่แยกเรียงกันและมีรอยแดงล้อมรอบค่ะในรายที่รุนแรงนะคะจะพบการเกิดตุ่มนูนแดงขึ้นได้แต่ทั่วไปแล้วนะคะก็จะค่อยๆบรรเทาลงภายใน24ชั่วโมงหรืออาจมีอการเจ็บปวดอย่างทันทีพร้อมกับการเกิดรอยแดงจากนั้นไม่นานนะคะก็จะเกิดตุ่มนูนแดงกระ จ, ระจายความ จ็ปวดก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจะต้องดูที่อาการมากกว่ารอยแผลที่ปรากฏบ น, บนร่างกายค่ะสําหรับวิธีพยมธิพันธุ์เบื้องต้นนะคะถ้าแน่ชัดแล้วรู้แล้วว่าพิษแมงกระพรุนที่โดนนี้เป็นแมงกระพุนไฟนะคะแนะนําค่ะแมงกระพรุนไฟให้ใช้ใบผักบุ้งทะเลนะคะนามาบดค่ะแล้วปิดบริเวณสัมผัสเพื่อบรรเทาห้ามนะคะห้ามใช้น้ําส้มสายชูราดลงไปบ น, บนบริเวณที่สัมผัสเด็ดขาด สำหรับแมงกะพุนไฟนะคะถ้ามีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องใจเต้นผิดปกติหายใจลําบากหรือหมดสติต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะสําหรับแมงกะพุนไฟหรือว่าตําแย่ทะเลนี้นะคะโดยทั่วไปเองค่ะจะมีลักษณะรูปร่างคลายรม่มตําตัวนะคะประกอบไปด้วยวุ้นค่ะเป็นส่วนใหญ่ล่องลอยไปตามกระแสน้ําแล้วก็แรงคลื่นลมทุกส่วนของแมงกะพุนไฟเนี่ยนะคะจะมีเข็มพิษยกเว้นผิวล้มด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะเมื่อสัมผัสปุ๊บ พิษก็จะเข้าสู่ผิวหนังทันทีนะคะยัง ก, ก็ตามแล้วค่ะอย่างที่บอกกันนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็จะต้องสังเกตนะคะช่วงเวลาที่สัตว์เหล่านี้จะมีการระบาดน ะ, ะจะมีการขึ้นฝั่งนะคะจะมีการพบได้บ่อยน ะ, ะในส่วนไหนบ้างนะคะเขาก็จะมีการติดป้ายนะคะเพื่อเตือนภัยด้วยต้องระวังตรงนี้นะคะแล้วก็สังเกตจุดด้วยนะคะจุดที่จะมีการติดตั้ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีสาวน้ำส้มสายชูเนี่ยในตามชายหาดต่างๆเนี่ยเขาจะมีตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อซัพพอร์ตเกิดกรณีที่แบบเราสุบวิสัยจริงๆนะคะก็จะได้นำมาใช้นะคะในการแก้ปัญหากรณีที่ถูกแมงกระพุนพิษของแมงกระพุนค่ะยะ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องสังเกตด้วยนะคะแมงกระพุนไฟนะคะให้สามารถาใช้ ผักบุ้งทะเลบทนะคะแล้วก็นำไปปิดบริเวณบาดแผลนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูราดนะคะส่วนแม่กะพุนกล่องหรือว่าบล็อกเจลไฟตนะคะให้นำน้ำส้มสายชูราดและห้ามขยี้แผลโดยเด็ดขาดค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะที่นํามาฝากกันในเพื่อนเตือนภัยนะคะหวังว่ากู้ฟังเองจะได้นาข้อมูลที่เราแนะนํากันนําไปใช้ดูนะคะนําไปในการระมัดระวังตัวของเราเองไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวนี้มีฉาชีพมีอยู่ทุกที่ทุกทางแต่ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี